ย่อมกระทําให้แจ้งซึ่งบรมสัตด้วยนามกายด้วยย่อมเห็นแจ้งแทงตลอดซึ่งบรมสัตนั้นด้วยปัญญาด้วยในกรณีของการรู้ตามซึ่งสัจธรรม12ขั้นตอนถ้าเราเข้าไปคร้ควรสังเกตดูให้ดีแล้วเอาไปเปรียบเทียบกับธรรมชาติของคน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 ล้นเดินไปสู่ความดับทั้งสิน้นส่วนการพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมนั้นพระองค์ก็ให้เราทั้งหลายนั้นปรัรบความเพียรให้มากเพื่อจะหาความพอดีให้ได้บางคนมาทําอานาปานสติใหม่ๆก็รู้สึกอึดอัดนะหายใจติดขัดนะเพราะไปปรุงแต่งลมหายใจบ้างตั้งใจมากเกินไปบ้างย่อหย่อนไปบ้าง